ดินฉาดจะเป็นยังไงว่าเรายังมาทำหัวสูงเดี๋ยวตัดสายงูตีด้วยสุ้งท่อนใหญ่ว่าตุหูเสียดียตูรถไฟเดี๋ยวคอยยกรถไทยเสียให้ตัวแบตตกด้วยกำลังภายในลอยไปถังสุโขทยัยแล้วปลิวไปคอนแก่นเดี๋ยวโดนเขา่าลอยไปเน่าชายแดนอย่ามาทาสล็ดมา แก่นทมนาโง่ เดี๋ยวจกห้องแถวฝาดป่านเดี๋ยวทะโตนู่กระโตนน้ำหมากเอาปล่องลงสีตีนผากดิ้นชักจะเป็นยังไงว่าแล้วยังมาทำหัวสูงเดี๋ยวตัดสายมุงตีด้วยสุงท่อนใหญ่ฝาต้นหูเสียด้วยตูรถไฟเดี๋ยวพอยกรถไทยบกเสียให้ตัวแบก เปลิองไปคอนแกนเดี๋ยวโดนเข่าลอยไปเน่าชายแดงอย่ามาทำสลัดมาแยกแยดทำหน้างอว่าแล้วยังมาทำทะเลนเ ด, ดี๋ยววางได้รถเบ็ดให้ลงไปเม่นจบบอกเดี๋ยวสะอื้นจริงด้วยปืนพอตองอเขียน้วยรถติดกรอบ้าบ่ามาบอมรอมี